ก่อนที่เป็นพุทธบูชาเลือกมาพระพุทธเจ้าถามว่าเธอทำไมจึงถามเพียงนั้นขอเช่นนั้นเพราะว่าอานนนเป็นพุทธบูชาเมื่อถามอะไรพูะุทธเจ้าจะยังทำที่ไหนเรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นพุทธบูชาจึงได้จำแม่มาใส่ใจเรียกว่าบันทึกไว้ในหัวใจ เมื่อถึงคราวทำสังขยนาล้อยกลองทำคาสอนขึ้นมาก็ต้องขาดพระดนไมได้พระดลก็มีความสำคัญให้เาาที่ทำสังขยนาพระมหากรส ป, ปะเถระเจ้าได้เป็นประธานในหมู่สงฆ์เลือกพระเรถระทุกเป็นมหารันทั้งหมดมารวมกันต่างรูปต่างองค์ก็จากันมาแม่นในทางใดสาดีบุตร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 ทำใหเราเชื่อมแข็งเคยสมมติตัวเองสมัยหนุ่มๆเดินทุง่งโยโจงเชียงใหม่เห็นเราเดินทุง่งนี่มวนไปพักที่สวนเยี่สวนส่ธธาสวัสดีจำอะไรหรอเด็กใกวัดดุมงเขาเกิดสะตาเลยลูกนี่มวนไปห้าลูกไปปรากฏเขาก็ให้บ้านพักแต่เราไม่พักเราถือลูกขโมยวัดอยู่คนไม้เป็นาปากกวัดปรากฏฝนตกทั้งคืน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 มาเจอลอยขวายมีรอยน้ําก็ขังอยู่ก็ล่องลั่นลูกบโคกมีนะหลวงพ่อเทียนพูดโอ้ก็คือเราเลยแหละเป็นคนที่ทุกขี่ยากาปฏิบัติธรรมมีความลู่อะไรต่างๆก็อยากไปสอนแม่อยากไปสอนพี่สอนน้องมันก็คิดไปจะไปความสุขจะไปความลู่บ้านไปเป็นถังจิต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 อ่าตนฉบบเดิมเราพระเทียมก็เปลี่ยนแลงมาจะมาถึงแบบหนแต่กองก็บอกว่าตยงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งเตีงนิ่งว่าไปด้วยนะตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งอ้าวมันเป็นภาษาเราภาษากลางเจ้หลักไหวนิ่ง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 ถ้ามางึงงนอนมากก็อย่ามาทำปกแปลยมันช่วยได้หลายอย่างการเคลื่อนไหวไม่ใช่การเคลื่อนไหวปกแปลกมันบริหารส่วนหัวใจส่วนต้นคอส่วนลาแขนมันได้ดีที่สุดเลยการประกอบความเพียนนี่มันบริหารหัวใจหัวปวดต้นคอลหลใต้ อ, อกเดินยิ่งดีใหญ่วิธีที่ปฏิบัติแบบนี้นะมัน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 มีจินแล้วจึงรู้มีสมาธิแล้วจึงรู้มีปัญญาแล้วจึงรู้ใช่หรือเราจึงรู้มันใช่ได้อะไรมันใช่ไม่ได้ก็รู้อะไรมันใช่ได้ก็รู้มันจึงจบไปเป็นหมวดเป็นหมูไปในการศึกษาชีวิตของเรานะมันก็มีวิธีอย่างนี้การปฏิบัติไม่ใช่เรามาสมี่สมหาดุ้นเล่าไปมันมีหลักสูตรคือกายคือใจเหล่านี้มีผิดมีถูกมีถูกมีทุกเต็มตัว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 อย่ารีดตัวเองเกินไปการปฏิบัติทำให้พอดีพอดีเนกินเข้าให้อี่นอนให้พอไม่เป็นไรไม่ถือว่าผิดแน่นอนเน่ะพักผ่นอนเลกหน่อยโดยเฉพาะคนจยจะไปรีดตัวเองเกินไปพักผ่อนความรู้จึกตัวมีอยู่ได้ทุกโอกาสแต่อย่าเอาความแก่มาอ้างอย่าเอาความเจ็บคมปวดมาอ้าง